ไอ้จิตที่มันเป็นความยินดีเป็นปิติเป็นสุขแม้ว่าจะเป็นจริงก็ตามก็เป็นโทษภายได้นะอันนี้เป็ น, ปนกิเลสชั้นชั้นละเอียดและชั้นสูงเพราะฉะนั้นมาที่สุดแล้วมันต้องอุเบกขาไงละ่ะชมได้วันหลังเข้าก็ดดาได้เมือนนะไม่ใช่ว่ า, าเขาชมเป็นอย่างเดียวนะเพราะบางทีเนี่ยอุปทานจะมาเลยนะเออคนนี้ชมเราอยู่ บ, บ่อยๆเนี่ย อุปทานเลยนะบางทีบางทีเนี่ยพอเจอคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยจิตมันสั่งไปเองแล้วเดี๋ยวเดียก็คงจะชมเราอีก <c oughs> มันไปเองเลยโดยอัตโนมัติแต่ปรากฏว่าวันนี้เกิดโอ้โหเขาหน้ามุ่ยมาเลยโอ้โหแล้วก็ติเราว่าเราอ่ะอุปทานคุณพริกเลยนะคนนี้ <c oughs> คุณทุกขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะว่ามันมันตั้งทบไว้อย่างหนึ่ง อ, อันนี้ต้องระวังนะอันนี้เป็นโทษภัยได้เอาข้อที่เจ็ด ข้อนี้ต้องฟังดีๆสิ่งใดไม่ควรแก่เขาเขามุ่งละสิ่งนั้นแต่สิ่งใดควรแก่เขาเขากำหนัดลืมสติติดสิ่งนั้นไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาสลัดออกมัวบริโภคอยู่นี่แหละที่ละกีอาตมาอธิบายไปอะนะคือสิ่งใดที่ไม่เหมาะกับเขาเนี่ยเขารู้ว่าเราตั้งตบาบะเพื่อลดล้ากิเลส ใช่ไหมไอ้ น, นี่ไม่เหมาะกับกิเลยของเรา อ, อาหารนี่เราตั้งตะบ่าว่าเราไม่กินอาหารนี้ขนมนี่เราไม่กินเราก็ทำได้จริงแล้วเราก็เว้นจริงด้วยอันนี้เราไม่ไม่เอางั้นเนี่ยคุณทำได้ตามนั้นแต่สิ่งที่ควรแก่เขาเนี่ยว่าเอออันนี้สิ่งนี้เราควรจะได้สิ่งนี้เรากินได้นะอันนี้สมมุติว่าไม่ใช่ตะบ่าเราหรือบางทีเนี่ยเราทำตะบ่าอย่างนี้ได้เขาควรจะ แหมชมเราบ้างอะไรอย่างนี้นเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เราควรจะได้เขามองไม่เห็นโทษเนี่ยเขามองไม่เห็นโทษอันนี้เขาลืมตัวลืมสติเขาก็เลยไปติดไอ้อันนี้แหละสลัดไม่ออกเนี่ยไม่มีปัญญาสลัดออกบัวบริโภคสิ่งนั้นอยู่นี่แหละนี่แหละคือข้อที่ตะกี้ตะกี้มาเนี่ยที่อาตมาอธิบายมาเลยมาแล้ะเลยมาถึงข้อนี้หละ ว, ว่ามันทําให้เรา ลืมตัวเราไม่ไม่ทันระวังป้องกันเสร็จแล้วเมื่อไปรู้ตัวเนี่ยมันก็เสพความยินดีเสกความพอใจอย่างนั้นอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยไอ้กิเลสตัวเนี้ยที่เป็นอุปกิเลสซ้อสเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยในจิตของคุณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยจริงนะคุณทาตบ้านั้นได้ตบ้านั้นคุณไม่ตกตบ้านั้นคุณไม่เสียแต่ความยินดีพอใจที่คุณลืมตัวอันเนี้ยที่คุณไปยินดีในสิ่งที่คุณว่าคุณควรจะได้เนี่ยแต่มันเป็นกิเลสอยู่ไง คนนั้นก็จะเสพอันนี้ไปเรื่อยๆเสพอันนี้ไปเรื่อยๆเพราะสังเกตไหมบางคนเนี่ยทําตาบะได้ดีนะคนก็ยกย่องคนก็ชมเสร็จแล้วคนนั้นก็ก็เออทาได้จริงๆแล้วคนชมก็เขาก็คิดตามสมควรว่าเขาก็ก็ก็เหมาะที่จะได้รับคําชมอย่างนั้นเขาเผลอใจที่เขาจะไปยินดีกับคําชมพวกนี้แล้วเขาก็ยินดีอยู่เรื่อยๆ พอใจอยู like me, you, ่เรื่อยๆก็เสพอันนี้อยู่เรื่อยๆเลย่อยเลอาตมาบอกแล้วคนเนี่ยเมื่อเมื่อเริ่มยึดอย่างนี้แล้วเมื่อเป็นอุปทานเชื่ออันนี้แล้วคนเราเนี่ยอาตมาบอกแล้วมันต้องจนได้เดี๋ยวก็ต้องเจอจนได้อาจจะโดนคนติบ้างอาจจะโดนคนว่าบ้างหรือไปเจอใครที่อาจจะไม่รู้จักเราดีอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาอาจจะว่าเรามาอย่างเงี้ยหรือแทนที่จะ ยกย่องสารเสริอเราก็อาจจะข่มเราอย่างเงี้ยโอ้โหพอเราไปเจออย่างนี้ไอ้กิจที่เราไปสะสมตัวตัวเชื่อมั่นตัวเองว่าเราจะต้องดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยพังทลายเลยนะคุณอาจจะเป็นโทสะอาจจะเป็นความหดหูน้อยอกน้อยใจเกิดขึ้นได้เลยเพราะไปสะสมตัวลืมตัวนี้ไว้นะอันนี้ข้อแปด คิดว่าพระราชามหาอ ม, มาตพราหมณ์คฤหาพดีเดียรถีจะสักการะเรามีความไข่ราบสักการะสรรเสริญเนี่ยแหละเนี่ยที่อาตมาพูดไปแล้วพูดไปพูดใหมมันก็พูดเกินไปข้อต่อไปอยู่เรื่อ ย, อยนะ <c oughs> ก็นี่แหละเห็นไหมมันจะไปสร้างไปอุบทาทว์ยางที่บอกเนี่ยก็คิดว่าเจอคนนั้นเจอคนนี้เขาก็เขาก็จะยกย่องเขาก็จะสรรเสริญเราเพราะเราทําดีได้อย่างนี้จริงๆ เหมือนอโศกตอนเนี้ยอย่าเผลอนะที่ที่ทแหมวิทยุก็ออกบางทีโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรืออะไรต่างๆโอ้โหชมเราหลายที่หลายแห่งใช่ไหมไปที่โน่นไปที่นี่เขาก็ชมเขาชมออืถ้าขบวนการกลุ่มอย่างนี้นะปฏิบัติอย่างนี้ต้องอโศกแหมเยี่ยมเนี่ยเราไม่ไม่ไมทันเกมเราเองเราเราไปหลงยินดีกิดอย่างนี้ใช่ไหมเราก็คิดว่าคราวนี้ ไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้ไปเจออะไรเงี้ยก็คิดว่าเขาก็คงชื่นชมเราทั้งนั้นน่ะเนี่ยแหละคุณเพอเมื่มอไหร่อ่ะเดี๋ยวถ้าคุณไปอ่ะเดี๋ยวไปเจออย่างเมื่อวานนะอาตมาก็เล่าท่านถักบุญนะ่ะไปที่โรงพยาบาลแล้วจะไปทําบัตรบัตรโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็บอกว่าสมณะใช่มเขาเขาไม่ทําให้ เขบอกว่าโอ้ยไม่ได้ไม่ใช่พระก็ถามว่าทาไมตรงไหนอ่ะไม่ใช่พระมีคิ้วไม่ใช่พระโอ้ท่านก็บอกโอ้เป็นพระไม่เป็นพระวัดที่คิ้วเนี่ยนะก็ท <laughs> ่าหลังก็ท่านก็ ไ, ไปเถียงอะไรเขาท่านก็เอา้าท่านก็บอกก็บอกเอ้าไม่ใช่พระก็เป็นสมณาก็เอาบัตรเบิรอะไรด <laughs> เอาหนังสือสุทติให้ดูว่าเป็นสมณะเขาก็ไม่ยอม ในที่สุดก็เขาก็ต้องเขียบนบรรไนเขาทําเป็นนายมาให้เนี่ยถ้าไทยเนี่ยที่ที่แบบว่าตั้งแต่อะไรอยู่ในภพก่อนนะว่าโอ้โหจะต้องยินดีจะต้องพอใจจะต้องชื่นชมเนี่ยคุณไปเจออย่างนี้บางทีคุณ อ, อกหัก อ, อกพังเลยนะหรือถ้าไม่ อ, อกหัก อ, อกพังก็คือจะไปทะเลาะกับเขาล่ะเอาเนี่ยเพราะอะไรไอ้ น, นี่มันไม่รู้จักเขาแล้ว แล้วไผเป็นไผไม่รู้จักเขาแล้วหรือไงมันเนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้ใครก็ดูที่นี่เพิ่งออกทีวีเพิ่งอะไรไปนะั้นไม่รู้หรือไงใครเป็นใครอ้าวอย่างเงี้นีไออันนี้ก็คือโทษไผเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้มันแง่โทรสะแล้วไงแง่งไม่ชอบใจแงไม่พอใจแต่ถ้าเราไม่เป็นสายโทรส่ามันก็จะ ไ, ไปออกในแง่งโอ้โหเหี่ยวใจเหมือนกันโอ้คนยังไม่ไม่เข้าใจเรายังมีอีกหรือนี่ ที่ใจก็เหี่ยวลงเพราะนั้นนี่เนี่ยคือคือข้อเนี้ยข้อที่8ที่จะมาบอกนะที่อ่านให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามันจะไปเริ่มเริ่มไปคิดว่าใครๆก็น่าจะชื่นชมนะข้อที่9ลุกรานสมณะหรือพรามอื่นผู้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่างคือเ <c oughs> พื่อเกิดแต่เงาลำต้นผลยอดแล้วก็มเมล็ด คืออันนี้พูดสั้นๆย่อๆอคือความจริงเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าอาตมาตั้งตาบามันจะมีว่าบางทีเนี่ยไม่ฉันพืชที่เกิดเกิดแต่เงาลำต้นหรือว่าผลหรือว่ายอดอะไรพวกนี้ยเราตั้งตาบาอย่างนี้ได้ใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเราตั้งตาบาว่าเราไม่กินขนมเนี่ยพอเราไม่กินขนมได้จริงๆอะพอเราไม่กินขนมได้จริงๆปับ๊บ ลุกลุกลานคนอื่นที่เขาเขากินอยู่บอเอาไม่ได้สิอย่างน้อยๆนะการลูกลานก็คืออา้าวผมยังทําได้แนละ้วท่านก็เหมือนกันท่านก็น่าจะทําได้ด้วยนี่เขาเรียกว่าลุกลานและ <c oughs> เริ่มลุกลานทาั้งๆที่อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรอ่ะสมมติไม่ใช่ศีหลักไม่ใช่อะไรที่ที่บังคับอ่ะใครทําได้ละเอียดขึ้นก็ดี แต่ใครทำไม่ได้ก็กไม่เป็นไรนี่ก็ไม่ต้องไปอะไรผู้นั้นเหมือนอย่างสมมติขนมอย่างเงี้ยเอาคนตั้งตะบะไม่กินขนมได้อ๋อยกให้ก็ได้ว่าเก่งเอแต่ไม่ใช่พอชั้นไม่กินขนมก็คนในบ้านนี้ก็ควรที่จะไม่กินขนมด้วยถ้าอย่างเงี้ยลุกลาล่ะลุกลานอื่นหรือแม้แต่เราเองเงี้ยเราเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วเรากินมังสวิรัตแเราก็ไม่ได้ จะมาคุยกับฉันนี่ต้องมังสวิรัตเหมือนกันนะแล้วถึงจะคุยกันได้อะไรเงี้ยไอ้เงี้เราเราเริ่มลุกลานคนอื่นเขาแล้วเพราะฉนั้นถึงถึงอันนี้ต้องเตือนไว้เพราะมันมีจริงๆคือยิ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราอยากให้คนอื่นดีเหมือนเราหรือว่าเอ่อได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาอันนั้นถูกแต่ไม่ใช่แบบลุกราน ทำไมเราอาจจะพูดให้ฟังเสนอแนะหรือว่าบอกประโยชน์ว่าดียังไงบ้างส่วนเรื่องจะกินไม้อยู่ที่เขาหรือจะทําไม้อยู่ที่เขาเราไม่ควรที่จะไปลุกรานหรือว่าไม่ควรไปบีบคั้นบังคับอะไรยกเว้นว่าถ้ามันเป็นกฎเกณฑ์หรือว่าเป็นศีลเป็นวินยัยเป็นระเบียบที่ที่ต้องทํานะอันนั้นน่ะมันต้องทําไม่ใช่ไม่ใช่การลุกลานอะไรแต่เป็นเรื่องที่ว่าถ้าจะมาอยู่ในหมู่นี้ ต้องทําตามกฎระเบียบนี้อันนี้ต้องทําถ้าไม่ทําก็อยู่กับหมู่เขาไม่ได้นะอันนั้นไม่ใช่การลุกรานอันนี้ข้อที่9ส่วนข้อที่10เขาดําริว่าคนทั้งหลายสักก า, าระเคารพนับถือบูชาสมณะหรือพราหมณ์อื่นผู้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุอย่างวัตถุหลายอย่างในสกุลทั้งหลายแต่ไม่สักการะเราผู้มีตาบะเลี้ยงชีพด้วยวัตถุเศร้าหมอง เขาเป็นผู้ให้ความริษยาความตนีเกิดขึ้นในสกุลทั้งหลายอันนี้อาตรมาสรุปให้ฟังง่ายๆคือปรากฏว่าเราทำได้ดีเราถือศีนได้ดีเรามีตบาบะได้ดีแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้ตบาบะเขาก็ไม่มีเท่าเราศีนเขาก็ยังทำไม่ได้ดีเท่าเราเพราะฉะนั้นปรากฏว่าก้อนในเมื่อเราทำได้ดีกว่า เพราะฉะนั้นเ น, น่คนที่ถือว่าจะมาเคารพศรัทธาถ้าสองคนนี้นะก็น่าจะมาเคารพศรัทธาเราไม่ใช่ไปเคารพศรัทธาเขาเนี่ยเนี่ยมันจะเกิดสภาวะนี้ใช่ไหมเนี่ยบอกว่าเนี่ยแต่ไม่สักการะเราผู้มีตาบะอ่าแต่ไปเคารพศรัทธาผู้ที่ไม่มีตาบะหรือว่าพวกที่ตาบะเศร้าหมองอะไรเงี้ย บอกเอามันต้องเคารพเราให้มากกว่าสิทําไมไปเคารพคนนู้นมากกว่าล่ะก็คนนั้นสู้เราไม่ได้อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ระวังเถอะนี่นี่อย่างนี้เรียกริษยาแล้วนะจิตมันริษยาลิษยาไม่จําเป็นว่าต้องริษยาคนที่สูงกว่าเรานี่ยนะคนที่เตี้ยกว่าเราก็เราก็ลิษยาได้เหมือนกันเนะีอ่าลิษยาก็คืออะไรอ่ะจะพูดยังไงนะคือคือ คือมันไม่อยากให้เขาดีกว่าเราเหนือกว่าเรา เ, ออเก่งกว่าเราอะไรต่างๆเนี่ยนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดห้ามเนี่ยมันมันเลยกลายเป็นความลิษยาอันนั้นหน้าตัวหนึ่งนะในนี้บอกว่าลิษยาแล้วก็จะมีความตันหนีเกิดขึ้นคือคือลิษยาคนที่เขาสู้เราไม่ได้กลายเป็นลิษยาเขาก็ได้เสร็จแล้ว ตันหนีก็คือไม่ยินดีไม่ชอบใจกับคนที่อไปอะไรอะ่ะไปยกย่องหรือว่าไปชื่นชมคนนั้นเนี่ยเราบางที่โอ้ไอ้นี่มันโง่เ็จ <c oughs> แล้วก็ปากรว่าคราวนี้ความตันหนีนะก็คือว่าคนคนที่เขาไม่ไม่ศรัทธาเราหรือเราเร า, เราถือว่าคนที่โง่แล้วไปศรัทธาคนที่ไม่ควรไปศรัทธาเงี้ย น่าจะศรัทธาเรามากกว่าเพราะเราทําตาบะได้ดีกว่าแล้วก็เลยไม่ชอบใจพวกนั้นไปด้วยใช่มไหมพอไม่ชอบใจเนี่ยคนนี้ชักอะไรละชักไม่อยากยุ่งด้วยหรือชักไม่อยากจะสอนชักไม่อยากเข้าใกล้ตันีตันีนี่ได้หลายอย่างนะแต่มีตันีธรรมะก็ได้ก็คือไม่อยากสอนอะไรให้ละพวกนี้มันโง่อ่าพวกนี้ตาไม่ถึงตาต่ำอะไรอย่างเงี้ย อ่าในตนีทำมากก็ได้หรือบางทีตนีถ้าถ้าเรามีวัตถุเข้าของเงี้ยบางทีเอยพวกนี้ฉันไม่ให้แล้วฉันให้พวกอื่นดีกว่าพวกที่ตาถึงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเกิดตนีหลายๆอย่างตนีที่อยู่อาศัยตนีเอ่อการให้ความรู้ตนีอะไรมีเยอะนะแต่ในนี้พูดรวมๆก็จะเกิดความริษยาแล้วก็จะเกิดความตนีอย่างนี้เกิดขึ้นเอาข้อที่สิบเอ็ด เป็นผู้นั่งในที่ทางให้คนเห็นเข้าใจความหมายไหมเนี่ยคือคือคือต้องนั่งในที่ที่มันต้องเด่นกว่าใครเขาหรือจะนั่งตรงไหนก็ถ้าอยู่ในแถวเดียวกันก็ต้องอะไรอ่ะต้องไม่รู้แหละต้องอาจจะต้องล้ำหน้าไปาเขาหน่อยคือ <c ười> ต้อ ง, ต, องต้องให้เหนือคนอื่นเาัาให้เป็นจุดเด่นให้ให้คนเขา เห็นได้ให้เขารู้ว่าเอ้ยฉันเนี่ยยังไงก็เหนือกว่าคนอื่นอยู่หน่อยอ่ะเนี่ยเนี่ยคือพูดง่ายถ้าพูดภาษาอย่างนี้ก็ต้องโชว์กันหน่อยต้องโชว์กันหน่อยเนี่ยเนี่ยี่กิเลสมันคือกิเลสมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งต้องแสดงออกถึงขั้นนี้แล้วนี่แสดงว่ามันสะสมสะสมสะสมทั้งทั้งที่คุณยังทําตาบะของคุณได้ดีนะอันนี้ต้องเข้าใจนะเรายังทําตาบะของเราได้ดีอย่างเช่นเรายังไม่กินขนมคุณก็ยังไม่กินขนมได้อยู่ แต่คุณต้องนั่งเด่นกว่คนอื่นเขาะนะเพราะคนอื่นเขายังกินขนมแต่เราไม่กินขนมแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องนั่งเด่นกว่าหรือบางทีชามเราแหมต้องชามคนอื่นเขาอะไรอะ่ะสีเทาๆชามของเราต้องสีขาวคือคื อ, คอมันจะมีลักษณะเนี้เกิดขึ้นเนี่ยกิเลสมันซ้อนอยู่อย่างงี้อา้าวข้อที่สิบสองเนี่ยเที่ยวแสดงตนไปในสกุลว่า การกระทำนี้อยู่ในตบาของเราคราวนี้ไปที่ไหนไปเจอใครเนี่ยอดไม่ได้มากจะต้องบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้นะ อ, อ, อ, อ, อะไรดีอ่ะเดี๋ยวนึกก่อนตบานึกถึงตบเาเอาตบาง่ายๆก่อนนะตบาที่พวกเราทำได้เนี่ย นะอย่างเช่นเดี๋ยวเนี้ยเราไม่กินเนื้อสัตว์มาอหลายสิบปีแล้วเนี่ยไปที่ไหนก็ยี่สิบสาสิบปีแล้วเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์มาเลยเอกินมื้อเดียวมาตลอดเลยเนี่ยทําทมาได้ไม่ตกโลงเลยคือไปที่ไห น, น่คือไม่ใช่ว่ามีคนมาถามเราแล้วเราก็เลยบอกนะอันนี่บอกเองเลยบอกด้วยเจตนาต้องการแสดงตนว่า เนี่ยฉันมีตบา่าพวกนี้นะฉันทําได้นะคือคืออวดอ่ะอวดผูดง่ายต้องการอวดเนี่ยไปที่ไหนไปอะไรก็จะอวดอย่างนี้อยู่เรื่อยต่างจากการที่บางทีบางครั้งเนี่ยเราพูดหรือว่าเราบอกออกไปเราไม่ได้มีจิตใจพวกนี้มีสติมีความรู้ตัวอยู่บอกเพื่อที่จะให้คนเนี่ยศรัทธาในด้านของการประพฤติมาได้จริงการปฏิบัติมาจริง ที่จะทำให้คนเนี่ยเขารู้ว่าถ้าเขาพยายามทำเนี่ยเขาก็ต้องทำได้เหมือนกันคือคือให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ลักษณะนี้นะลักษณะที่กำลังบอกนี่คือเที่ยวเที่ยวแสดงตนก็คือเที่ยวบอกคนอื่นเพื่อจะอวดเพื่อที่จะโชว์ถ้าอย่างเงี้ยเป็นอุปกิเลสซ้อนอยู่ทั้งทั้งที่ทำตะบ้านนั้นได้จริงที่พูดไปไม่ได้โกหกเลยพูดไปตามความเป็นจริงที่ตัวเองมี แต่เจตนาอวดโชนาตอนนี้ข้อที่13ผู้มีตาบะเสพโทษปกปิดบางอย่างเมื่อถูกถามว่าโทษนี้ควรแก่ท่านหรือเขากล่าวโทษที่ไม่ควรว่าควรกล่าวโทษที่ควรว่าไม่ควรกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่คือข้อนี้เนี่ยคนที่มีตาบะพูดยังไงนะคนที่ในนี้บอกว่า ผู้มีตะบะเสพโทษปกปิดหมายถึงว่าพอมีตาบะแล้วเนี่ยบางครั้งบางทีเราอาจจะทําพลาดบ้างหรือไม่อาจจะไม่ต้องพลาดตาบะเราก็ได้นะเราอาจจะมีพลาดอะไรเรื่องอื่นแต่ไอความที่เราหลงตัวความที่เราเชื่อว่าแม้เราดีอย่างนั้ น, อ ย, น, นอย่างยิ่ยงคนสรรเสริญคนศักดิละเนี่ยคราวนี้เนี่ยตาบะเราก็ได้ดีอยู่นะแต่เราอาจจะพลาดบางอย่างอะไรที่ที่ไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยแต่มันกลัวเสียหน้า เออมันกลัวเสียชื่อเพราะมจะปกปิดจะไม่กล้าบอกเพราะว่าไ อ, อ้บอกแล้วเดี๋ยวกลัวว่าเขาจะศรัทธาเราน้อยลงนี่นี่คือสภาวะของกิเลสของคนที่มีตาบะแล้วทําตาบะได้ดีแล้วเนี่ยมันจะกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นรู้ว่าโอ้เราพลาดตรงนั้นเราพลาดตรงนี้แล้วคนอื่นจะไม่ยกย่องเราอีกแล้วนะไม่เคารพเราอีกแล้วไม่นับถือเราอีกแล้วเพราะนั้นพอไปพลาดอะไรมาเนี่ยจะปกปิด จะไม่ไม่กล้าพูดไม่กล้า บ, บอสจนในที่สุดเนี่ยก็จะโกหกในที่สุดนี่นะจะโกหก ท, ทั้งทั้งที่รู้อยู่จะเกิดขึ้นทันทีอันนี้จริงๆด้วยนะบางทีเนี่ยคนมายกย่องคนมาอะไรเรานี่บางครั้งนี่เราพลาดไปแล้วไม่ต้องอื่นกายอกอตมาเองก็ได้รู้เลยว่าบางทีบางครั้งพูดพลาดไปอย่างวันนี้เองอะ่ะเอาสดสดร้อนร้อนอะ่ะวันนี้ อาตมาก็เถียงกับคนเขาอนะอาตมาว่าเอ้าเนี่ยหน่วยงานนี้ของเรานี่อู้อยู่ในสถ า, านะโพกีอาตมาประชุมอยู่บ่อยๆก็เห็นเขามารายงานอยู่เป็นประจำาตมาบอกอู้อยู่ในสถ า, านะโพ ก, กีแน่นอนเจาา้าแม่ก็เห็นประชุมทุกทีเขามารายงานทุกทีอาตมาก็ยืนยันอย่างนี้อยู่เรื่อยอยืนยันไปตั้งหลายทีแล้วก็คิดว่าตัวเองถูก <laughs> <laughs> ก็ยืนยันอย่างนี้มาอยู่เรื่อยเสร็จแล้ว ต่นี้เขาก็บอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่อัลามาก็เลยเอ๊จะไม่ใช่ยังไงเราคุณ <c oughs> เสร็จแล้วก็เลยเอ้าเดี๋ยวเดยวเดยอัลมาตัวหลักฐานเดี๋ยวเดี๋ยลองพอดีอ่ะมันมีหลักฐานอยู่พอดีเพราะเพิ่งประชุมไปไงก็มันจะมีรายงานของแต่ละที่แต่ละที่อัลมาก็เลยเอามาเปิดดูเปิดดูเสร็จโอ้ยเราผิดจริงๆเดี๋ยวไปเ <c> ร <oughs> เลยบอกโอ้ยขอขอภัยอัลมาเข้าใจผิดจริงๆเนี่อัลมาคิดว่าเป็น อยู่ในสถานะโพกีจริงๆอัตราถึงย้ํายืนยันกับคุณอย่างนั้นก็ต้องขอโทษเลยก็มันก็ผิดจริงๆอะ่ะคืออย่างเงี้ยเราต้องเราต้องกล้าขอโทษเลยแล้วต้อ ง, ต, องต้องยอมรับผิดแต่ถ้าคุณมีจิตที่คุณไอ้นั่นอยู่นะบางทีมันกบกบเกินเกินนะคุณจะไม่ไม่ไม่ยอมสา ร, รภาพหรอกคุณก็พูดบางทีก็โอ้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรเนะี่ยบางทีแค่ ยอมรับผิดแค่ขอโทษนี่ยังไม่ยอมพูดเลยแต่มัญหาเรื่องพูดนะจริงๆอ่ะคือต้องการขอโทษอต่ะนะแต่ไม่ไม่ไม่กล้าพูดคําว่าขอโทษอ่ะแต่พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้นะหาคําพูดอะไรต่างๆมาพูดนะเพื่อให้เห็นว่าโอ้เราเร า, เราพลาดไปจริงอนะแต่แ ต, แต่แต่ไม่กล้าพูดคําว่าขอโทษว่าไอท้ที่ที่อันเนี้ยเราผิดไปจริงๆจะไม่กล้าพูดถ้าบางทีเนี่ยถ้ามัน มีบอกแล้วมันมีอุปกิเลสพวกนี้มันซ้อนอยู่มันจะลักหน้ามัางรักศักดิ์สีบัางมันจะกลัวอย่างง้นกลัวอย่างยี่โดยเฉพาะศักดิ์สีนี่แหละไม่ต้องพูดตัวอื่นหรอกตัวเนี้ยมันทำให้บางทียิ่งบางทีเราเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่เขาเป็นเด็กอย่างเงี้ยอ้จะไปยอมรับผิดกับเด็กง่ายๆมันเสียชื่อเพราะนั้นผู้ใหญ่บางคนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะมีอยู่มาก ยังไม่เคยกล้าผิดแล้วไม่ไ ม, ไม่กล้ารับผิดกับเด็กแล้วก็พูดไอ้หนุนพูดไอ้ดีมานะแต่โดยสรุปรวมแล้วก็จริงๆก็คือยอมรับผิด <c oughs> โดยเนื้อหายอมรับว่าเออเอ อ, เ อ, อตัวเองพลาดไปแต่ไม่กล้าพูดออกมาตรงตร ง, ตรงไม่กล้าพูดเป็นคำความออกมานั่นอีอนี่คือข้อที่สิบสามส่วนข้อที่สิบสี่ตถาคตหรือสาวกแสดงทาอยู่ย่อมไม่ผ่อนตาม ย่อมไม่ผ่อนตามปริยายซึ่งควรผ่อนตามคืออันนี้จิตเนี่ยถ้ามันมันมันลืมตัวมันหลงอะไรไปมากเข้ามากเข้าเนี่ยคราวนี้นะต่อให้เท่าพอท่านพูดส ม, มุติเราเปรียบมาถึงยุคปัจจุบันนี้ในที่นี้นี่เขาเปรียบพระเจ้าเจ้าหรือสาวกของพระเจ้าเนี่ยพูดง่ายว่าพูดในสิ่งที่ที่ถูกต้องออกมาเนี่ยนะว่าควรทําอย่างยี่สี่ควรเป็นอย่างยี่สี่ ไอจิตเราเนี่ยที่เรายึดว่าเราดีเรายึดว่าเราถูกแล้วก็ยิ่งมีคนเชียร์มัง่งคนสนับสนุนว่าเออท่านนําถูกเลยนะบางทีคราวนี้เนะี่ยกูบาอาจารย์ก็ตามอะไรก็ตามมันชักแม่ไม่เอาแล้วนะมันชักเชื่อมั่นตัวเองนะเพราะว่าเราทําตาบ่าได้อะ่ะเราก็เชื่อว่าแหมเราก็แน่คนนึงรับรองเลยอันเนี้ยคุณไม่มีใครหลุดกิเลส ต, ตัวนี้ได้ไง่ายๆหรอกอันแตามา ย, ยังมีเลยสารภาพกับผู้คุยตรงๆกันเ บางทียังมีเลยพ่อท่านเทศอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเรายังแหมอันนี้นี่มันไม่น่าจะอย่างนี้นะยังมีเลยยังอดไม่ได้เลยอ่ะไอ้กิเลสพวกนี้มันมันมีจริงๆแต่อันเนี้ยถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้ตัวก็โถนะไอ้เราเนี่ยมันมันปฏิบัติธรรมมาขนาดไหนเราศึกษาเราเรียนรู้อะไรมาขนาดไหนเนี่ยใช่ไหม บางทีเนี่ยท่านปฏิบัติมามากกว่าเรารู้มากกว่าเราอีกด้วยซ้ําไปไอ้บางทีสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านก็ผ่านมาแล้วด้วยซ้ําไมจะไม่รู้ดีกับเรานีบางทีเนี่ยถ้าอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะยอมได้เราจะยอมตามได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันไม่ยอมอย่างย่งน้อยที่สุดใจไม่ยอมก่อนเอามืออาจจะยอมแต่ใจยังไม่ยอมนะเพราะบางคนเนี่ยมือยอมแต่ใจไม่ยอมยังเฉียงอยู่ในใจ แต่มือนี่เอายอมยอมเพราะคือไม่ยอมสิ <c oughs> อยู่กับมูนี้ไม่ได้สิแตือไม่ยอมเพราะมันก็ต้องยอมประเด็นเนี้ยอันนี้อาตมาว่าถ้าเข้าใจเรื่องของอุปกเล์พวกนี้เนะี่ยจริงๆพวกเราทุกคนมีมีทุกข้อเนี่ย ท, ท, ที่กล่าวมาเนี่ยมีทุกข้อเลยถ้าเข้าใจไปเปรียบกับตัวเราเองเนี่ยคุณจะเออเอเอเอค่อยๆจับสภาวะจิตของตัวเองเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วพอรู้ว่า อ้ากําลังเกิดสภาวะนี้แล้วระวังอย่าให้มันไปเป็นกิเลสซ้อนพวกนี้รีบปรับรีบแก้ทันทีนะเอาข้อที่สิบห้าคราวนี้มักโกรธมักผูกโกรธวันนี้อาจจะมา ย, ย่อๆมานะจริงๆแล้วมันโหคําความอะไรมันจะมากกว่านี้เพราะพอเราเนี่ยชักไม่เชื่อฟังด้วยใช่ไมเนี่ยเนี่ยมันมันเพิ่มดีกีขเรื่อยๆพอชักไม่เชื่อฟังชักอย่างนั้นอย่างงี้คราวนี้ชักโกรธนะ ไม่โกรธธรรมดานะชักจะผูกโกรธนะผูกโกรธนี่คือชักยาวนานแล้วสลัดไม่ค่อยหลุดสิมันคิดแต่ในมุมลบคิดแต่มุมลบลบอยู่เรื่อยๆแล้วมุมบวกมันชักคิดไม่ขึ้นแล้วสิเพรา ะ, ะนั้นไอ้ความไม่ชอบใจไม่พอใจมันก็สะสมโตเข้าโตเข้าโตเข้ า, ขากลายเป็นผูกไว้เลยนะข้อที่สิบหกข้อสุดท้ายอะไรที่ตามมาคราวนี้อู้หูเต็มไปหมดเลย ข้อที่16นี่อะไรบ้างนะฟังดูลบลูตีเสมอเนี่ยรวมไปทั้งเนี่ยริษยาตนีโอ้อวดมารยากระด้างถือตัวจัดปราธนาลามกบิดชาทิฏฐิดิ่งถึงที่สุดรูปคำทิฏฐิถือมั่นสละคืนได้ยากเนี่ยต่างๆเหล่านี้ตามมาเป็นกระพวนเลยเพราะอย่านึกว่าการที่เราเนี่ย ตั้งตะบะแล้วเราทําได้แล้วนี่คุณอย่าลืมว่าคือกิเลสลดอย่างเดียวนะเพราะในขณะเดียวกันกิเลสเพิ่มได้ถ้าใครไม่ระวังตาบะของตัวเองให้ดีเพราะอันนี้เป็นเป็นเป็นคำเตือนที่ที่อยากจะบอกพวกเราเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นได้ไหมว่าบางคนเนี่ยเออทําตาบะก็ดีนะก็เก่งนะแล้วไอ้โนูนก็ตั้งได้ไอันนี้ก็ทําได้นะเอ๊แต่ทำไมบางทีรู้สึก อะไรอะ่ะจิตใจตัวเองเนี่ยยังมันมันไม่ผ่องใสหรือว่ามันไม่ไม่สะอาดไม่สดชื่นไม่อะไรได้ได้อย่างดีนะมันยังบางทีกับคนนั้นกับคนนี้ทำไมเรายังรู้สึกมันยังถือสาบางเนี่ยมันยังเศร้าหมองหรือว่ามันยังตนียังริษยายังอะไรอยู่อีกพอบอกแล้วว่าถ้ า, ถาเราไม่เข้าใจไอ้กิเลส ท, ที่มันจะซ้อนเข้ามาได้เนี่ย คุณไม่ทันระวังตัวนี้คุณดูแต่ไอตัวที่เอ้ยเราทำตะบ่าได้เราทตาตบ่ได้แล้วคุณก็หลงดีใจอยู่กับไอ้ที่คุณจะทำตบาาได้อย่างเดียวนะไอพวกนี้ซ้อนอยู่ซ้อนอยู่มันหนาเข้าหนาเข้าเดี๋ยวคุณพังยนได้ก็จะเป็นเหมือนไอ้นกยางตัวนั้นเนนะเอาวันนี้จริงๆถ้าพูดเรื่องตบ่แล้วโอ้ยยังคุยกันได้อีกอีกเยอะมากเลยอีกยาวพูดไปพูดมาก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ นี่อุตษาพูดถึงโทษของตบาใช่ไหมแต่ความจริงไม่รู้ว่าจะมีสักกี่คนตั้งตาบาทั่วเนี้ย <c oughs> กลัวโทษก่อนแล้วนะเยลยไม่ตั้งเลยตบาบากอันนี้แย่ยิ่งกว่าคนที่เขาตั้งตบาบะแล้วมันมีโทษของตบากนะบอกแล้วอันนี้ชั้นสูงขึ้นมานะเพราะนั้นคนที่ไม่ตั้งตบักเลยเนี่ยก็เลยบอกว่าก็หาโทษไม่ได้เลย แหมฉลาดมากเลยนะไม่มีตบากรไม่ต้องมีโทษเลยใช่ไหมคือคือไออันนั้นนะ่ะอาตมาว่านะไม่มีตาบาเลยเนี่ยแต่จริงๆถ้าเรามีศีนศีนนี่ก็คือตาบาอย่างหนึง่งถ้าเข้าใจนะก็ในเมื่อศีนเนี่ยเพราะฉะนั้นในทํานองเดียวกันศีนเนี่ยโทษของศีลก็จะมีได้นะถ้าถ้าคุณเข้าใจตบาอันนี้แล้วนะโทษของศีนก็จะมีได้คุณถือว่าคุณถือศีนได้ดีกว่าเขา เนี่ยคุณหลงอย่างนี้ได้หลงเหมือนตบาบะเนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณจะยกตนข่มคนอื่นก็ได้นะคุณจะจนกระทั่งลิษยาผูกโกรธลบหลู่เขาอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยได้เหมือนกันเพราะนั้นศีลที่เราถือเนี่ยนะแม้คุณไม่คือบางคนเข้าใจแต่คำว่าตบาบะก็คือไอ้ที่เราตั้งตั้งขึ้นมานะสศีลนี่เป็นเป็นหลักอยู่แล้วก็ไม่คิดว่าเป็นตบาบะแต่จริงๆศีลก็คือตบาบะอย่างหนึง่ง เพราะนั้นยังไงเนี่ยพวกเราหนีไม่พ้นหรอกมั่ต้องบีตบะแน่นอนอย่างไ น, น้อยก็ต้องถือศีลแต่ตอนนี้ที่อาจมาบอกเราจะรู้โทษภัยได้ไงว่าเราถือศีลแล้ามีโทษภัยหรือเปล่าวันครั้นี้ต้องไปสำรวจเพราวันคนที่ถือศีลแต่ไม่ไม่มีการตรวจไม่มีการตรวจศีลของตัวเองไม่มีการตรวจจิตของตัวเองแล้วคุณไม่รู้หรอกคุณก็ถือศีลแบบประเภท สักแต่ว่าถือไปเท่านั้นเองมันจะไม่รู้โทษภัยน่จะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราถือศีลโดยที่เนี่ยยิ่งทั้งสิบหกข้อเนี่ยเป็นอุปกิเลสเอามาใช้ว่าเป็นการอุปกิเลสของการถือศีลก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันแล้วเ ร, า, เร า, เาไปเทียบเลยว่าทุกวันเนี่ยเราถือศีลไปแล้วสิบหกข้อเนี่ยเป็นยังไงบ้างเผลอไปกี่ข้อแล้วนะเอาไปตรวจ ตาเอาไประวังการถือศีลของเราเราจะทำให้จิตเราเนี่ยถือศีลได้บริสุทธิ์ผ่องใสาปาสะจากกิเลสซ้อนเนี่ยได้ดีขึ้นอ่ะวันนี้เลยเวลาไปและสองทุ่มยี่สิบผงพออท่านนี้นะ